ขวางทางเต็มไปหมดท่านหยุดเดินด้วยเกรงจะไปเหยียบมันเข้าหลับตากำหนดยืนหนอห้าครั้งแล้วจึงอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าถือธุดงควัดก็เพื่อต้องการขัดเกล้าด้วยสัจวาจาที่เกล่าอ้างมานี้ขอรุกขเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาป่าดงพญาเยน็นจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วย และโปรโดช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงให้บำราดไปน้บบัดนี้เถินกลั้นสิ้นคำอธิษฐานจึงลืมตาการกลับปรากฏว่าไม่มีมดมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวช่างน่าอัศจรรย์นักเดินจงกรมจนครบตามเวลาที่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วภิกษุผู้ถือธุดงควัดจึงกำหนดนั่ง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 ลึกซึ้งกว่าที่เคยได้สัมผัสในครั้งก่อนๆ ก, กระนั้นท่านก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ประนีตลึงซึ้งกว่าเป็นความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตติสันติปาลังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกเพื่อเข้าให้ถึงความสงบนั้นอันเป็นยอดแห่งความสงบทั้งปวง เพราะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากตัญหาเครื่องร้อยรัดเวลาผ่านไปอีกสามชั่วโมงท่านพระครูจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงกำหนดเลิมตาหลวงพ่อดามนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมกรดและบาดถูกแขวนไว้ที่กิ่งไซเหมือนเมื่อตอนเช้าสิทธ์ก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วถามว่า หลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับภิกษุรัตัญยูไม่ตอบหากถามว่าการปฏิบัติของเธอเป็นอย่างไรมีสภาวธรรมอะไรปรากฏบ้างผมได้สัมผัสกับความสงบอลึกซึง้งแต่ก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ลึกซึ้งกว่าผมจะเข้าถึงความสงบนั้นไหมถามเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นต้องได้สิลืมแล้วหรือ พระพุทธองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับความเพียรพยายามไว้ว่าอย่างไรตรัสสอนว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัฏฐะเนปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จผมก็เพียรพยายามอยู่นะครับตั้งแต่หลวงพ่อให้กรรมฐานผมเมื่อ20ปีก่อนผมก็พยายามปฏิบัติมาโดยตลอดเพราะยืนหนอ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 ว่าบรรลุทำขั้นโน้นขั้นนี้พอผมถามจนมุมทุกรายเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้ปริศนาธรรมของหลวงพ่อเป็นเกณฑ์ในการสอบอารมณ์เพราะถ้าสอบอารมณ์ตามตำราคนที่ปฏิบัติไม่ได้แต่แอบท่องตำรามาตอบนั้นก็จะตอบเราได้ผมจึงใช้วิธีนี้ตรวจสอบคนที่บรรลุจริง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 เพราะเราดูแล้วว่าเป็นที่สัพยะต่อการบรรลุธรรมของเธอคนฟังแสนจะปีติรีบรับรองว่าครับผมก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเช้าผมคิดว่าที่นี่ขาดสัพยะข้อสองคือโคจรสัพยะเพราะไม่มีหมู่บ้านที่จะไปบินทบาทแต่พอหลวงพ่อบอกให้ไปหาอาหารผมก็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 ให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูสิ่งที่เธอต้องใส่ใจให้มากคือความเพียรพยายามขอให้ระลึกถึงพระพุทธวจนะที่ตรัสสอนไว้ว่า อ, อนิพพินทิยะการิสะสัมามัถโถวิปัจจติทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมาย ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางเกียรติกันความเพียรของมนุษย์ได้เธอเคยได้ยินได้ฟังเรื่องความเพียรพยายามของมนุษย์ที่มาในชาดกบ้างไหมคงไม่เคยนะเอาละ่ะเราจะเล่าให้ฟังท่านถามเองตอบเองเสร็จจากนั้นจึงเริ่มต้นเล่ามีกษัตริย์สองเมืองจะทําสงครามกันฝ่ายหนึ่งไปถามฤาษีผู้มีฤทธิ์ สามารถติดต่อกับพระอินได้พระอินแจ้งผ่านฤาษีมาว่าฝ่ายตนจชนะจึงประมาทปล่อยเหล่ทาทหารสนุกสนานบันเทิงส่วนกษัตริย์ฝ่ายที่ทราบว่าตนจะแพ้ยิ่งเตรียมการให้แข็งแรงขึ้นครั้นถึงเวลารบจริงฝ่ายที่พระอินบอกว่าจะชนะนั้นกลับแพ้เพราะมัวประมาทชะล่าใจว่าตนจะชนะ ส่วนฝ่ายที่ได้รับการทำนายว่าจะแพ้กลับชนะฝ่ายแพ้จึงไปต่อว่าพระอินทร์ผ่านทางฤาษีผู้มีฤทธิ์พระอินทร์ถูกต่อว่าจึงกล่าวเทวคติออกมาดังๆอันว่าความบากบั่นเพียรของมนุษย์เทศทั้งหลายก็เกียรติกันไม่ได้อาจารย์เล่าจบสิทธิจึงพูดขึ้นว่าแม้เทวดาก็ยังเชื่อไม่ได้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 เธอลืมใชแล้วหรือเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นพิกลในวัดของเธอเขายังหลบหน้าหลบตาไม่มาปรากฏให้เธอเห็นทั้งนี้ก็เพราะก่ออายที่ไม่มีคุณธรรมขาดเหวี่ยงริโอตปะอันเป็นเทวตาธรรมจึงละเมิดศีลข้อสาได้จำไว้ว่ามนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามหากละเมิดศีลก็ถือว่าชั่ว ว่าเร็วกว่าทั้งนั้นมนุษย์ที่มีศีลจึงประเสริฐกว่าเทวดาที่ทุศีลด้วยประการชนิดแต่แม่ชีก้อนทองก็มีศีลทำไมเทวดาเขาไม่อายและยังมาชวนแม่ชีสวดมนต์ทุกคืนแล้วครับสิทธิแ้ง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 ใครจะมีความเพียรพยายามมากกว่ากันครับก็มนุษย์นะซีเพราะมนุษย์มีความทุกข์มากกว่าเทวดาจึงเพียรพยายามที่จะออกจากทุกข์เป็นเทวดามีแต่สุขจึงประมาทมัวเมาไม่ประรบความเพียรหากมองในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างเทวดาดีกว่ามนุษย์แต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่าเทวดา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 ดังที่เธอกำลังปฏิบัติอยู่นี้แม้ว่าตามปกติพวกมนุษย์จะถือว่าเทวดาสูงกว่าพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค์แต่เทวดาเขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของพวกเขาดังมีพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี้แลนับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลายดังนั้น เมื่เทวดาองค์ใ ด, ดองค์หนึ่งจจุติเพื่อเทพชาวสวรรค์จะพากันอวยพรว่าให้ไปเกิดในสุคติก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆและประพฤติปฏิบัติทาได้อย่างเต็มที่การเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสีย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 เมื่อรู้จักกำหนดก็จะทำให้ได้เรียนรู้ด้ว ย, ยเจริญสติว่องไวทำงานได้ดีเกื้อกูลแก่การฝึกตนและการที่จะก้าวหน้าในการบรรลุธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าที่ฟังมาเธอสรุปได้หรือยังว่าการเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเทวดาหรือเกิดเป็นเทวดาดีกว่ามนุษย์อาจารย์ถามสิทธิ์ถ้าให้ผมสรุป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 ที่เขาถึงความจริงว่าความสุขนั้นแปลเปลี่ยนไม่จีรังยั่งยืนเขาจะหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อ น, นำไปสู่ความหลุดพ้นที่เที่ยงแท้คือนิพพานสุขไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละการจะเข้าถึงนิพพานสุกก็ใช่ว่าจะทาได้ง่ายๆคนทั้งหลายก็เลยยึด ความสุขเฉพาะหน้าไว้ก่อนยกเว้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการชำระ ก, กิเลสมิใช่เพิ่มพูนกิเลสนิ่งกันไปครู่หนึ่งสิจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พุทธวจนะที่หลวงพ่อเจริญมาทำให้ผมระลึกนึกถึงอดีตครั้งยังเป็นเด็กครับเราอัญเชิญมาว่าอย่างไรอาจารย์ทดสอบความจำสิทธิ์อนิพพินทิยะการิสะสามารถทัดโถวิวปัจจติทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมายนะครับแล้วทำให้เธอนึกถึงอดีตอย่างไร คือทำให้ผมนึกถึงน้าย้อยบอกตาลครับทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยก็เหมือนคนที่เขาเอากระบอกไม้ไผ่ไปแขวนไว้ที่บนยอดตาลให้น้ำตาลหยดลงกระบอกทีละหยดละหยดในที่สุดก็เต็มกระบอกได้จึงเกิดสํา น, นวนว่าทำทีละน้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลซึ่งเปรียบเหมือนการสร้างบารมี สร้างไว้เรื่อยๆบ่อยๆสักวันหนึ่งบารมีก็เต็มได้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแค่วันเดียวจะเต็มได้อย่างไรไม่ใช่น้ำย้อยบอกตานินาคราวนี้อาจารย์เล่นสำนวนบ้างก็ผมไม่ได้บอกนี่ว่าวันเดียวนี่ครับสิทธิ์ชะงนทาไมจะบอกไม่ได้ก็เธอบอกอ ย, ยกๆว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็แปลว่า วันเดียวนะสิอาจารย์ฉเฉลยสิย์จึงกล่าวแก้ว่าวันหนึ่งในที่นี้ผมหมายถึงระยะเวลาอันยาวนานหลายกับหลายกันตั้งหากละครับถ้าอย่างนั้นก็พอฟังขึ้นเธอรู้ไหมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญบารมีมานานเพียงใดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายี่สิบอสงไขย์กำไรแสนกับครับ ช่างนานเลือกเกินแต่ถ้าเทียบกับพระโพธิสัตว์อีกสองประเภทพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีสั้นที่สุดพระโพธิสัตว์มีสมประเภทเหรอครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงจัดอยู่ในประเภทพระปัญญาธิโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่แล้วอีกสองประเภทเล่ะครับ อีกสองประเภทได้แก่พระศรัทธาทธิโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ทรงใช้เวลาในการบําเพ็ญบารมี40อสงไขยกําไรแสนกับส่วนพระวิริยายธิกโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่ ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมี80ิอสงไขยกำไรแสนกับหากเรียงตามระยะเวลาที่ได้บำเพ็ญบารมีจากมากไปหาน้อยพระวิริยะที่กัโพธิสัตว์ก็จะเป็นประเภทที่หนึ่งพระศรัทธาที่โพธิสัตว์เป็นประเภทที่สองและพระปัญญาที่กัโพธิสัตว์เป็นประเภทที่สแล้วพระศีีอริยเมตไตร เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจัดเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทไหนครับประเภทที่หนึ่งคือพระวิริยาที่กโพธิสัตว์เพราะพระองค์จะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีนานถึง80อสงไขกับอีกแสนกลับจึงเรียกว่า16อสงไขยกาไรแสนกลับหนึ่งอสงไขยนานเท่าไรครับสิทธามอีกนานมากมากจนนับไม่ท้วน เท่ากับโกฎยกกำลังส0บหนึ่งโกฎเท่ากับ10ล้านเธอลองคูณออกมาสิสบล้านคูณกัน20ครั้งได้เท่าไหร่ผมตกคณิตศาสตร์ครับแต่ถึงจะเก่งคณิตศาสตร์ก็คูณออกมาไม่ได้เพราะมันมากจนนับไม่ท่วนแสดงว่าระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราทรงใช้การบาเพ็ญบารมียาวนานมากจนนับไม่ท่วนถึง20ครั้ง และยังพ่วงอีกแสนกับขนาดนั้นก็ยังน้อยกว่าพระโพธิสัตว์สองประเภทแรกแล้วกับหนึ่งเท่าใดครับท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วนกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยศทุกร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อดีละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกกรอไปแต่กับหนึ่งยาวนานกว่านั้น ช่างนานเหลือเกินนะครับนานจนผมฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยที่พูดกันว่าตกนรกชั่วกับชั่วกันก็เท่ากับต้องทนทุกข์ทรมานนานมากน่าสงสารคนที่ทำความชั่วนะครับเกิดไปตกนรกอยู่หนึ่งกับก็นานจนลืมไปเลยผมเห็นจะต้องเร่งทำความเพียรละครับเพราะไม่อยากตกนรกนึกถึงตอนเป็นเด็กผมสร้างวีรกรรมไว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 ตอนเรียนอยู่ชั้นป .4 ผมเห็นพวกผู้ใหญ่เขาหิ้วกระบอกไม้ไผ่ปีนขึ้นไปแขวนไว้บนยอดตาลในตอนเย็นพอรุ่งเช้าเขาก็เอาลงมามีน้ำตาลเต็มกระบอกเลยผมก็เกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างหนึง่งรุ่งอีกวันผมก็ตื่นแต่ตีสี่แอบปีนขึ้นไปขโมยกระบอกไม้ไผ่ลงมาพอรุ่งเช้าเจ้าของเขาก็ไปเอาน้ำตาล แล้วก็ไม่มีแล้วเรื่องสมองใสในการสร้างบาปไม่มีใครเกินผมนี่ถ้าไม่มาบวชผมเห็นจะต้องตกนรกแน่นอนแต่บางคนถึงบวชก็ยังตกนรกนะพระบวชแล้วก็ยังก่อกรรมทำชั่วเป็นพระตกนรกง่ายกว่าครหัสเสอีกบางคนเข้าใจผิดคิดว่าบวชแล้วจะได้บุญคิดเพียงว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็ได้บุญแล้ว ที่จริงไม่ใช่แค่นั้นยังเข้าใจผิดกันอีกมากผมว่าชาวพุทธเรายังต้องศึกษาอีกมากนะครับต้องทำความเข้าใจในาศาสนาที่ตนนับถืออย่าว่าแต่ชาวบ้านไม่รู้าศาสนาเลยครับแม้แต่พระซึ่งอยู่กับาศาสนาแทๆ้ๆบางครั้งท่านก็ไม่รู้แล้วว่าได้ทำสิ่งที่ผิดต่อพระวินัยและพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัติ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 การที่เธอออกธุดงในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับภาระอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าคือการปกป้องพระาศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดั่งเดิมเป็นหน้าที่ที่เธอจะหลีเกเลี่ยงไม่ได้ครับหลวงพ่อผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้จะต้องแลกโดยชีวิตก็ตามภิกษุวัย45พูดด้วยน้ําเสียงที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ